บุกท ok, ูเก้าส ah ิบเอ็ด a n p u l u h s a t u อนุประโยครองลงมาที่หนึ่งอนุค kalimat d enganbahwa satu หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น c u a t a Esohari ok k mungkin akan membaik. คุณทราบได้อย่างไร Dari mana Anda mengetahui hal itu? Di ฉันหวังว่ามันจะดีขึ้น Saya harap hal ini akan menjadi lebih baik. เขาต้องมาแน่ Dia pasti datang แน่หรือยากินดิฉันรู้ว่าเขาจะมา Saya tahu bahwa dia datang เขาโทรมาแน่ Dia pasti menelpon จริงหรือเริงรอริงหรือิฉันืชืออจ่าเขรจะโทรมา saya pikir dia menelpon หายมันเก่าแน่ริงหรื a จริงหรื n จริงห a ือจริงหรือจริงหรือรอรหรือรรหรือ Apakah Anda benar-benar mengetahuinya? ดิฉันคิดว่ามันเก่า Saya berasumsi bahwa anggurnya tua. หัวหน้าของเราดูดีมาก Boss kami tampan. คุณคิดอย่างนั้นไหม bagaimana menurut Anda? ดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียว menurut saya d i ่ b เ n a r b e n a r k e l i ดียว n tampan หัวหนั้วาหมีแฟนแ้าลมีน้วแลน้ว่ๆ Bos หล่อมากทีเดียวตามนั้นออดิฉันว่าเขาหล่อน่ คุณคิดอย่างนั้นจริงๆหรือ Anda ันดาเ์บนารา์์์น์์์์์์์์์์์ป์์์์์์์์์์า์์า์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ a ์์์์์์์์ i ์์์์์์์์์์์์์์